เจรอนพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่9กุมภาพันธ์พุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดเป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆ จึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาทำทานมารักษาสิงมาบำเพ็ญจิตตะภาวนามาฟังเทศฟังธรรมเพื่อสร้างความสุขที่แท้จริงความสุขที่ถาวรความสุขที่จะติดกับเราไป เวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วความสุขต่างๆอย่างอื่นนั้นเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่เราไม่สามารถเอาติดตัวไปกับเราได้เช่นความสุขที่เราได้จากบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้เช่นสามีภรรยา ญาติสนิทไม่สหายเวลาที่เราตายไปหรือเวลาเขาตายไปความสุขที่เราได้รับจากเขาก็จะหมดไปแต่ความสุขที่เราได้จากการทำทานจากการรักษาศีลจากการภาวนาจากการฟังเทศน์ฟังธรรมนี้จะฝังอยู่ในใจของเรา ใจของเรานี้เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์อย่างยิ่งเพราะเป็นสิ่งที่ไม่ตายนั่นเองสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้เป็นสิ่งที่จะต้องตายไปหมดจะต้องสูญสลายหายไปหมดเพราะเป็นธรรมชาติของสิ่งต่างๆในโลกนี้ที่มีการเกิดแล้วก็ต้องมีการดับไป มีใจของพวกเรานี่แหละที่เป็นสิ่งที่ไม่เกิดเป็นสิ่งที่ไม่ดับดังนั้นถ้าเราสะสมความสุขไว้ในใจความสุขนี้ก็จะไม่ดับไปกับร่างกายแต่ถ้าเราสะสมความสุขไว้ที่ร่างกายเวลาร่างกายนี้ตายไปความสุขต่างๆก็จะหมดไป นี่คือวิธีสร้างความสุขที่แท้จริงที่ถาวรไม่ว่าจะอยู่ในยุคใดสมัยใดจะมีพระพุทธเจ้ามาตัดสรู้กี่พระองค์แล้วนำคำสั่งสอนมาเผยแผ่ให้แก่สารโลกก็จะสอนสูตรเดียวกันสอนให้ทำทานสอนให้รักษาศีล สอนให้ภาวนาสอนให้ฟังเทศฟังธรรมเพราะวิธีนี้เป็นวิธีเดียวเท่านั้นที่จะนำความสุขที่แท้จริงมาให้กับพวกเราและจะอยู่กับพวกเราไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดเพราะฉะนั้นพวกเราจึงไม่ควรที่จะไปหาความสุขชั่วคราว อย่างที่พวกเรากันหาหากันอยู่ในขณะนี้เช่นเราไปหาความสุขจากสิ่งนั้นสิ่งนี้จากบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้แต่พอสิ่งนั้นสิ่งนี้จากเราไปความสุขที่เราได้ก็จะหมดไปแต่ความสุขที่เราได้จากการทำทานจากการรักษาศีลจากการภาวนา จากการฟังเทศฟังธรรมนี้จะติดอยู่กับเราไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกายของเราก็จะไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดนี่คือความสุขแท้ความสุขที่ถาวรความสุขที่สะอาดบริสุทธิ์สะอาดเพราะอะไรเพราะไม่มีความทุกข์เข้ามาเจือปนนั่นเองไม่เหมือนกับความสุขชนิดอื่น ความสุขที่ได้จากการได้ลาบได้ยศได้สรรเสริญได้รูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะต่างๆเวลาได้มาก็เป็นความสุขแต่เวลาสูญไปก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาและเวลาที่มีอยู่ก็มีความทุกข์ที่เกิดจากความหวงเกิดจากความห่วง เกิดจากความวิตกกังวลกลัวว่าสิ่งที่เรามีอยู่จะต้องจากเราไปและไม่ว่าเราจะกลัวมากน้อยเพียงไรจะหวงจะห่วงมากน้อยเพียงไรก็ตามเราก็ไม่สามารถที่จะห้ามหรือยับยั้งให้สิ่งที่เรารักจากเราไปเพราะนี่คือความจริง ธรรมชาติของสิ่งต่างๆในโลกนี้เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นเราจึงไม่ควรไปหาความสุขจากสิ่งนั้นสิ่งนี้จากบุคคล น, นั้นจากบุคคล น, นี้ให้เราเข้ามาหาความสุขจากการทำทานจากการรักษาศีลจากการภาวนาจากการฟังเทศน์ฟังธรรมจะดีกว่าเพราะเราสามารถรักษา ความสุขนี้ได้เราไม่ต้องมาหวงมาห่วงมาวิตกมากังวลเพราะไม่มีใครสามารถที่จะมาแย่งความสุขภายในใจจากเราไปได้ไม่เหมือนกับความสุขภายนอกเช่นลาบยศสรรเสริญนี้คนอื่นแย่งจากเราไปได้มีทรัพย์ก็ถูกเขาปล้นได้มีตําแหน่งก็ถูกเขาแย่งไปได้ มีการสรรเสริญยกย่องเยินยอก็มีคนอื่นมาแย่งเอาไปได้มีสามีมีภรรยาก็มีคนมาแย่งเอาไปได้แต่ความสุขที่ไดจากการทาทานจากการรักษาสิงจากก า, าจากการภาวนาจากการฟังเทศน์ฟังธรรมนี้ไม่มีใครแย่งเอาไปได้นะนี่แหละ พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเรามาสะสมความสุขทางใจกันดีกว่าแล้วเราจะมีความสุขไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรก็ตามเช่นบ้านเบืองจะวุ่นวายหรือจะสงบก็จะไม่มากระทบกระเทือนกับความสุขทางใจของพวกเราแต่ถ้าพวกเราหาความสุขจาก สิ่งต่างๆที่มีอยู่ในบ้านในเมืองนี้พอเวลาบ้านเมืองเกิดความไม่สงบขึ้นมาเราก็เกิดความทุกข์ตามไปด้วยเพราะมันกระทบกระเทือนกับความสุขของเรานั่นเองเวลาบ้านเมืองวุ่นวายนี้เศรษฐกิจก็ชะงักการทามาหากินก็ชะงักรายได้ก็จะถดถอยอันนี้ก็จะมากระทบถึงตัวเรา พอเรายังหาความสุขจากรายได้จากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้นั่นเองแต่ถ้าเราไม่ได้หาความสุขจากสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้เพราะว่าเราหาความสุขจากการทําทานรักษาศีลภาวนาฟังเทศฟังธรรมเราก็จะไม่เดือดร้อน กับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านในเมืองเราจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติมีมาทุกยุคทุกสมัยเรื่องของการแก่งแย่งชิงดีอำนาจวาสนาผลประโยชน์ต่างๆเพราะใจของมนุษย์ไม่ว่าจะอยู่นุกใดสมัยใดมีความโลภความอยากได้เหมือนกันทุกยุคทุกสมัยพอ มีโอกาสมีช่องที่จะทำให้เขาได้ในสิ่งที่เขาอยากได้เขาก็จะกอบโกยกันโดยที่เขาไม่คำนึงถึงความทุกข์ยากลำบากเดือดร้อนของผู้อื่นเมื่อผู้ที่ทุกข์ยากเดือดร้อนลาบากถูกกระทบก็ต้องออกมาร้องโวยวายออกมาเรียกความเป็นธรรมออกมาต่อสู้ แล้วก็เกิดความวุ่นวายกันขึ้นมาเกิดสังคมเกิดสงครามกลางเมืองขึ้นมาอันนี้ไม่มีใครไปยับยั้งไปห้ามได้นอกจากถ้าเราสามารถไปทำลายต้นเหตุของความวุ่นวายเหล่านี้ก็คือความโลภความโกรธความหลงที่มีอยู่ในใจของมนุษย์เหล่านี้เองถ้ามนุษย์เราไม่มาแก้ตรงนี้ ไม่มาแก้ที่ความโลภความโกรธความหลงเรื่องวุ่นวายต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมนี้จะมีต่อไปไม่มีวันสิ้นสุดไม่ว่าจะเป็นสังคมใหญ่หรือสังคมเล็กแม้แต่ในครอบครัวเราก็มีเรื่องวุ่นวายกันอยู่เรื่อยๆก็เพราะว่าใจของสมาชิกในสังคมของเรานนี้ยังมีความโลภมีความโกรธมีความหลงอยู่นั่นเอง แต่ถ้าทุกคนได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วรับรองได้ว่าสังคมจะไม่วุ่นวายสังคมจะไม่มีปัญหาต่างๆอย่างที่มีกันอยู่ทุกวันนี้เพราะทุกคนจะมีความสุขมีความอิ่มมีความพอจะไม่มีความโลภความอยากได้สิ่งต่างต่างเหมือนอย่างที่กำลังมีอยู่ในขณะนี้เพราะ สังคมไม่เข้าหาพระศาสนาไม่เข้าฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้าไม่ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้าใจจึงไม่มีความสุขใจจึงมีความวุ่นวายเมื่อมีความวุ่นวายก็ส่งออกไปข้างนอกไปสร้างความวุ่นวายให้แก่สังคมให้แก่ประเทศชาติ ดังนั้นเราอย่าหลงทางกันเราอย่าไปในทางนั้นกันเพราะจะทำให้เรามีแต่ความทุกข์ไม่มีวันจบสิ้นขอให้เรามาตามทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราปฏิบัติกันแล้วรับรองได้ว่าเราจะมีความสุขเราจะมีมากมีน้อยนี้ไม่สำคัญเพราะสิ่งที่มีมากมีน้อยนี้ไม่ได้ให้ความสุข กับเราอย่างแท้จริงและให้ความทุกข์กับเราด้วยดังนั้นเราอย่าไปกังวลกับเรื่องลาบยศสารเสริญเรื่องรูปเสียงกิจลรต่างๆมีมากมีน้อยมันไม่ได้ทําให้เรามีความโลภความโกรธความหลงน้อยลงไปแต่อย่างใดแต่ถ้าเรามีทานมีศีลมีภาวนามีธรรมะหล่อเลี้ยงจิตใจ ใจของเราจะมีความโลภความโกรธความหลงน้อยลงไปและหมดไปในที่สุดถ้าไม่มีความโลภความโกรธความหลงแล้วไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในโลกนี้จะดีหรือไม่ดีจะไม่ได้ทำให้ใจของเราวุ่นวายเดือดร้อนเลยดังนั้นขอให้เราเชื่อพระพุทธเจ้าเถิด เชื่อแล้วก็ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าส่งสอนให้เราเอาเงินทองที่เราจะไปซื้อความสุขต่างๆชนิดต่างๆในโลกนี้ให้เอามาทําทานมาซื้อความสุขใจจะดีกว่าความสุขที่เราซื้อจากสิ่งต่างๆนี้เป็นความสุขเดี๋ยวเดียวเวลาเราซื้อข้าวซื้อของที่เราอยากได้มา เราก็มีความสุขแต่ไม่นานความสุขนั้นก็หายไปแล้วก็เกิดความทุกข์เกิดความอยากได้สิ่งใหม่อีกก็ต้องซื้อใหม่อีกถ้าซื้อมากๆเข้าก็จะไม่มีเงินให้ซื้อพอไม่มีให้ซื้อก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาอีกก็ต้องไปทุกข์กับการทรมาหากินหาเงินหาทองเพื่อที่จะมาซื้อสิ่งต่างๆที่เรา คิดว่าให้ความสุขกับเราแต่เป็นความสุขที่ไม่เคยมีความอิ่มความพอเป็นความสุขที่จะทำให้เกิดความหิวเกิดความอยากซื้อเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆดังนั้นการซื้อความสุขแบบนี้จึงไม่ได้เป็นการซื้อความสุขที่แท้จริงแต่เป็นการซื้อความทุกข์เสียมากกว่าให้เราเอาเงินทองนี้มาซื้อความสุขทางใจจะดีกว่า ามาแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นใครมีความทุกข์ยากเดือดร้อนเราก็เอาเงินนี้ให้เขาไปหรือซื้อข้าวของให้เขาไปแล้วเราจะได้ความสุขใจที่เกิดจากการให้นี้ขึ้นมาในใจของเราแล้วความสุขที่เราได้จากการทําทานนี้จะทําให้เราไม่หิวไม่อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ นี่คือความแตกต่างกันระหว่างความสุขของที่เราได้จากการใช้เงินซื้อขครืองของต่างๆหรือไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเป็นความสุขที่ทําให้เราเกิดความหิวความอยากเพิ่มมากขึ้นแต่ความสุขที่ได้จากการช่วยเหลือผู้อื่นแบ่งปันเงินทองเครืของให้แก่ผู้อื่นจะทําให้เรามีความสุขใจอิ่มใจ พอใจจะทำให้เราไม่อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะใจเรามีความอิ่มนั่นเองนี่แหละวิธีที่เราควรจะสร้างความสุขทุกครั้งที่เราจะเอาเงินไปซื้อของที่ไม่จำเป็นเช่นขอขนมขนมเ น, มหนยหรือข้าวของต่างๆขอให้เราเอามาซื้อบุญดีกว่าเอามาทำทานดีกว่า เอามาช่วยเหลือคนอื่นดีกว่าแล้วใจของเราจะมีความสุขมีความอิ่มมีความพอแล้วเราก็จะมีมิตรด้วยเราจะสร้างมิตรเราจะเป็นผู้ที่เป็นผู้ที่รักของผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเทวดาเวลาที่เราตกทุกข์ได้ยากขับขันเราก็จะมีมิตรมีมนุษย์มีเทวดา มาดูแลมาช่วยเหลือเราเพราะเราทาคุณทําประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นนั่นเองคุณประโยชน์ที่เราทําให้แก่ผู้อื่นนั้นจะย้อนกลับมาหาเราเวลาที่เราเกิดความทุกข์ยากลำบากแต่ถ้าเราไม่เคยช่วยเหลือผู้อื่นเลยไม่เคยทําทานไม่เคยสงเคราะห์ผู้อื่นเลยเวลาที่เราตกทุกข์ได้ยาก จะไม่มีใครมาเหลียวแลเราไม่มีใครจะมาดูแลเราเพราะเราไม่ได้สร้างเหตุให้เขามาดูแลนั่นเองเหตุที่จะทำให้ผู้อื่นเขารักเขาชอบเราก็คือการทำทานนี่เองการได้ช่วยเหลือผู้อื่นได้สงเคราะห์ผู้อื่นได้แบ่งปันข้าวของเงินทองให้แก่ผู้อื่นจะทำให้ผู้อื่นนั้น มีความรักมีความชื่นชมยินดีในตัวเราและจะทำให้ผู้อื่นอยากที่จะทำประโยชน์ให้กับเราเป็นการตอบแทนนี่คือความสุขใจที่เราควรที่จะทำกันให้มากๆพยายามทำทุกวันถ้าเราไม่มีใครจะรับความช่วยเหลือจากเรา ก็เอาเงินนี้ใส่กระปุกเอาไว้อย่าเอาไปใช้แยกเอาไว้ว่าเป็นเงินทำทานแล้วเราจะมีความสุขใจแล้วเวลาที่เรามีเหตุการณ์ที่เราจะต้องช่วยเหลือใครเราก็เอาเงินที่เราเก็บไว้ในกระปุกนี้ออกมาช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปถ้าเราไม่เก็บไว้เลยบางทีเวลามีเหตุการณ์ที่จะต้องช่วยเหลือผู้อื่น เราก็ทำไม่ได้เพราะเราไม่มีเงินเก็บเอาไว้เราเอาไปใช้บุญเอาไปซื้อสิ่งต่างๆที่ไม่จำเป็นแล้วสิ่งต่างๆที่เราซื้อมาแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะเอาไปช่วยเหลือผู้อื่นได้ไม่เหมือนกับเงินที่เราแยกเอาไว้สำหรับเอาไปทำบุญเอาไปทำทานขอให้พยายามทำทุกวัน เก็บไว้วันละเล็กวันละน้อยวันละหาบาท10 บ, บาทเดือนหนึ่งก็ได้เป็นหลายร้อยแล้วแล้วถ้าปีหนึ่งก็จะได้เป็นหลายพันด้วยกันขอให้ทําไปแล้วเราจะมีความสุขหล่อเลี้ยงจิตใจของเราเวลาที่เราไม่มีเงินที่จะซื้อสิ่งต่างๆเราก็จะไม่รู้สึกเดือดร้อนเหัวใจของเราไม่ได้หิวกับสิ่งต่างๆนั่นเอง ใจเรามีความสุขใจมีความอิ่มใจที่เกิดจากการได้ทำทานนี้เองนี่คือความสุขใจข้อที่หนึ่งความสุขใจข้อที่สองก็คือการไม่ทำบาปหรือการรักษาศีลถ้าเรารักษาศีลได้ไม่ทำบาปได้ใจเราจะไม่วุ่นวายจะไม่วิตกไม่กังวลไม่เดือดร้อน แต่ถ้าเราทำบาปรักษาศีลไม่ได้ใจเราจะไม่ค่อยสบายจะมีความรู้สึกวิตกหวาดกลัวกังวลกับบาปที่เราได้ทำไว้กลัวว่าจะต้องรับผลบาปแต่ถ้าเราไม่ได้ทำบาปไม่เรารักษาศีลได้ใจของเราจะไม่ดื้อวุ่นวายไม่เดือดร้อนไม่วิตกไม่กังวล คนที่ทำบาปนี้ท่านเปรียบเทียบเหมือนกับวัวสันหลังหวัวัวสันหลังหวัดนี้เวลามีอะไรมาแตะนิดเดียวก็เกิดความเจ็บขึ้นมาแล้วคนที่มีแผลเวลาถูกอะไรแตะหน่อยก็จะเกิดความเจ็บขึ้นมาแต่คนที่ไม่มีแผลนี้จะไม่เดือดร้อนคนที่ไม่ได้ทำบาปไม่ได้ทำผิดนี้เวลาเจอเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจอใครก็ตาม จไม่รู้สึกเดือดร้อนไม่หวั่นไหวแต่คนที่ทําบาปทําผิดกฎหมายเวลาเห็นเจ้าหน้าที่ตํารวจเดินเข้ามาหาใจก็จะวูบลงไปทันทีตกใจทันทีทั้งๆที่เจ้าหน้าที่ตํารวจเขาไม่ได้มาจับเราเลยเขาไม่รู้เสียด้วยซ้ำไป ว, ว่าเราได้ทําผิดกฎหมายทําบาปแต่เวลาที่เราทําไปแล้วนี่ใจเราจะไม่สบาย เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะมีความสบายใจมีความสุขใจไม่หวั่นไหวกับใครทั้งนั้นขอให้เรารักษาศีลไว้ให้ได้ขอให้เราอย่าทาบาป mm hmm. การรักษาศีลก็จะทำให้เรามีความสุขทั้งในขณะที่เรามีชีวิตอยู่และเวลาเราตายไปเราก็ไม่ต้องไปเกิดในอบายศีล mm hmm. น, นี้จะเป็นรัว้วเป็นตะข่าย เป็นกำแพงกั้นไม่ให้เราตกไปสู่อบายอบายก็คือที่อยู่ของสัตว์สี่ชนิดด้วยกันคือเดรัจฉานเปรตอสุรกายและนรกถ้าเราไม่ทำบาปเรารักษาศีลได้เวลาร่างกายนี้ตายไปเราก็ไม่ต้องไปใช้บาปใช้กรรมในอบาย ถ้าเรารักษาศีลได้และทำทานด้วยเวลาตายไปเราก็จะได้ไปสวรรค์ได้ไปเกิดเป็นเทพชั้นต่างๆถ้าเรารักษาศีลอย่างเดียวไม่ได้ทำทานเราก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ต้องไปไม่ต้องไปเกิดในอบายนี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการรักษาศีล ขอให้เราพยายามรักษาให้ได้ทุกวันเรารับรองได้ว่าเวลาเราตายไปเราจะได้ไม่ต้องไปตกนรกไม่ต้องไปอบายความสุขขั้นที่สามที่พระเจ้าทรงสอนให้พวกเราทํากันก็คือให้เราภาวนาให้เราฝึกใจสอนใจให้ตั้งอยู่ในความสงบะ ใจจะสงบนี้จะต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือที่จะทำให้จใจสงบเรียกว่าสติสติก็คือการให้ใจเราระลึกรู้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นให้เราระลึกรู้เกี่ยวกับคำบริกรรมพุทโธพุทโธวั น, ว, นวันหนึ่งนี้อย่าปล่อยให้ใจคิดเรื่อยเปือ่อยเพราะเวลาคิดแล้วจะเกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมา ส่วนใหญ่จะเกิดอารมณ์ไม่ดีคืออารมณ์โลภบ้างโกรธบ้างวิตกกังวลบ้างห่วงใยเรื่องนั้นเรื่องนี้บ้างถ้าเราไม่คิดอารมณ์ต่างๆเหล่านี้ก็จะไม่เกิดขึ้นใจของเราก็จะเย็นจะสบายมีความสุขทำให้เราไม่เดือดร้อนไม่หิวไม่อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่โกรธคนนั้นไม่โกรธคนนี้ แต่ถ้าเราไม่สามารถควบคุมอารมณ์ควบคุมใจของเราได้เวลาเราไปสัมผัสรับรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ก็จะทำให้เราเกิดอารมณ์ว่าวุ่นขุดบัวขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เราต้องไปทำในสิ่งที่เสียหายต่อไปทำให้เราต้องไปทำบาปแต่ถ้าเราทำใจให้สงบให้ว่าง เราก็จะไม่มีอารมณ์ว่าวุ่นขุนมัวเราก็จะสามารถทําความดีได้อย่างต่อเนื่องทําทานได้ทําบุญได้ช่วยเหลือคนนั้นช่วยเหลือคนนี้ได้ดังนั้นเราต้องทําใจให้ว่างให้สงบด้วยการบริกรรมพุทธโธพุทธโธไปทั้งวันตั้งแต่ตื่นขึ้นมาพอลืมตาขึ้นมาก็ให้บริกรรมพุทธโธไปเลย ไม่ว่าเรากําลังจะทําอะไรอยู่กําลังอาบน้ําอาบท่าแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารกําลังทํางานทําการทําธุระอะไรถ้าไม่ต้องใช้ความคิดเกี่ยวกับงานที่เรากําลังทําอยู่ก็ให้เราท่องบริกรรมพุทโธพุทโธไปจนกว่าเราหยุดคิดถ้าเราไม่คิดอะไรเราก็ไม่ต้องท่องก็ได้ท่าใจเราอยู่เฉย รู้เฉยๆทำอะไรก็อยู่กับสิ่งที่เราทำอยู่ไม่ไปคิดถึงเรื่องที่ผ่านมาแล้วหรือไม่ไปคิดถึงเรื่องของที่ยังไม่เกิดขึ้นในอนาคตใจเราอยู่ว่างๆเฉยๆมีความเย็นมีความสบายเราก็หยุดบริกรรมได้ขอให้เราทำไปอย่างนี้แล้วเราจะมีความสุขภายในใจของเราแล้วถ้าเราอยากจะให เราไม่มีความทุกข์ไม่มีความวุ่นวายใจกับสิ่งต่างๆเราก็ต้องสอนใจให้รู้จักปล่อยวางให้รู้ว่าเหตุการณ์ต่างๆสิ่งต่างๆที่เรามาสัมผัสรับรูบร้นี้เป็นสิ่งที่เราไปควบคุมบังคับไม่ได้ไปสั่งเขาให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ได้เช่นเราจะไปสั่งให้คนนั้นดีกับเราไม่ได้ จะไปห้ามเขาไม่ให้เขาร้ายกับเราก็ไม่ได้เขาจะดีกับเราหรือเขาจะร้ายกับเรานี้ <f air> เป็นเรื่องของเขาเราไปห้ามเขาไม่ได้แต่เราห้ามใจของเราได้ห้ามใจของเราไม่ให้ไปวุ่นวายกับเขาได้เหตุที่ทำให้ใจของเราวุ่นวายก็เพราะว่าเราอยากจะให้เขาทำอย่างนั้นทาอย่างนี้นั่นเอง แต่ถ้าเราไม่มีความอยากให้เขาทำอย่างนั้นทำอย่างนี้เราจะไม่วุ่นวายกับการกระทำของเขาคนที่เราไม่รู้จักคนที่เราไม่มีความอยากเวลาเขาทำอะไรเราจะไม่รู้สึกเดือดร้อนแต่คนที่เรารู้จักคนที่เราอยากให้เขาทำอย่างนั้นทำอย่างนี้เราจะเดือดร้อนขึ้นมาทันทีเวลาที่เขาไม่ได้ทำตามความอยากของเรา ดังนั้นถ้าเราไม่อยากจะวุ่นวายใจไม่ไม่อยากจะทุกข์ใจกับเรื่องราวของคนอื่นเราต้องอย่าไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เช่นลูกของเราก็อย่าไปอยากให้เขาดีอยากจะให้เขาเก่งเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะดีได้หรือเปล่าเก่งได้หรือเปล่าถ้าเขาดีได้เก่งได้มันก็เป็นบุญของเขา ถ้าเขาดีไม่ได้เก่งไม่ได้มันก็เป็นบาปเป็นกรรมของเขาเพราะเขาทําบุญทําบาปมาในอดีตนั่นเองบุญและบาปนี้จึงทําให้เขาดีหรือทําให้เขาไม่ดีเราไม่สามารถไปเปลี่ยนเขาได้สิ่งที่เราทําได้ก็เพียงแต่สอนเขาเท่านั้นเองสอนให้เขาเป็นคนดีสอนให้เขาทําบุญแต่ถ้าเขาไม่ทําบุญเขาไม่ยอมเป็นคนดี เราไปทุกข์ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรไปวุ่นวายใจก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเราต้องปล่อยวางถ้าเราอยากจะอยู่อย่างมีความสุขความทุกข์เกิดจากความหลงความอยากของเราเองไม่ได้เกิดจากความไม่ดีของลูกแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะอยู่อย่างมีความสุขต้องสอนใจให้ปล่อยวางให้ได้ให้มองให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศ เราไม่สามารถไปสั่งดินฟ้าอากาศให้เป็นไปตามความต้องการของเราได้จะไปสั่งให้ฝนตกไม่ได้สั่งให้ฝนหยุดไม่ได้สั่งให้อากาศหนาวไม่หนาวไม่ได้ชั้นใดเราก็ไปสั่งคนอื่นให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ได้แม้แต่ร่างกายของเราเองเรายังสั่งไม่ได้เลยเราไปสั่งให้ร่างกายเราไม่แก่ไม่ได้สั่งไม่ให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้ สั่งไม่ให้มันไม่ตายไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่าไปสั่งอย่าไปอยากอยู่กับความจริงอะไรจะเกิดก็ปล่อยมันเกิดขึ้นแล้วเราจะไม่เดือดร้อนใจของเราจะมีแต่ความสุขตลอดเวลานี่คือวิธีสร้างความสุขให้กับใจของเราที่จะเป็นความสุขที่ถาวรเป็นความสุขที่จะติดไปกับใจเราไม่ว่าใจเราไปอยู่ที่ไหน เราจะมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์เลยจึงขอฝากเรื่องของการมาสร้างความสุขทางใจด้วยการทำทานด้วยการรักษาศีลด้วยการภาวนาด้วยการฟังเทศน์ฟังธรรมนี้ให้ท่านได้นำมาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขที่แท้จริงที่ถาวรที่จะตามมาต่อไป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 โดยทั่วหน้าการเธอ